อาจจะไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าลึกซึ้ง <c oughs> สุขุมคับคภาพยากมากี่จิตีความหมายแต่ข้อเท็จริงนั้นท่านสอนง่ายที่ถุกแล้วแต่เราตีความยากเราไม่อยากสนใจยากปากอ้อกคือมันง่ายถาไปสนใจที่ไม่ได้ที่ไม่ควรจะได้อาตมมาพูดมานานแล้วที่ได้ไม่เอาไปเอาที่ไม่ได้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 ท่านมาไค่ทำในประสาทสนานี่มาปฏิบัติทมจริงไหมอาจะมาเห็นหนอแหละจริงบ้างไม่จริงบ้างจริงจริงจาจำจ ำ, จำบงกอย่างนี้ทางา น, นแต่คนจริงก็หายากชายก็จริงถ้าหญิงก็แท้ถ้าเป็นคนแก่ที่นามวิชาชายไม่จริงชายก็เบนหญิงก็ไม่แท้คือหยั่งก็กระชาก็รั่ว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 และท่านทาั้งหลายมาสร้างความดีหรือความชั่วทิเหทุกคนถ้ามาสร้างความดีทิ้งชั่วไว้หม ด, ดทิ้ถิ่มนะเอาออกให้หมดอย่าเอามานะเสียใจยด้วยระเพศที่สองสร้างความดีไม่ได้ดีีมันม้นมีนมกรรมบางเพราะมีชั่วเต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋าไม่รู้จักจะทายชั่วออกไป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 เข้าวัดต้องไปเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าขอไปเป็นผู้ประเสริฐพระลำเลยมีคนกราบไหว้บูชาอย่างนั้นมาวัดต้องการอะไรหรือขอฝากววาอย่างนี้เป็นต้นท่านมาวัดอย่ามหาเรื่องในวัดอาตมาเห็นหลายวัดแลนวหนุ่มเขาขาวมาเนี่ยไม่ขี้โกนหัวล้น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 บางแห่งก็คื่สอร์เทองเขายังมีเปอร์เซ็นต์พะก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์อย่าไปซื้อสาหัสความธรรมะไปดูกันอย่างนั้นโยมก็ไม่ได้อะไรทนี่ไปเปิดดูแล้วถ้ายอมติดชั่วมาชอไปเปิดดูของชั่วไปหาของชั่วสวรรค์ยังข้ามเลยหาตำแหน่ตีเยียนให้ได้มาหาเรื่องอย่างนั้นหรืออย่างไรขอจเจริญพร อ, อย่างนั้น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 พเพเจริญพรไม่กล่าวว่าไปว่าพระทะเลาะคา้วว่าที่อยู่ในวัดนี้มีหลายเปอร์เซนต์เขามาช่วยงานเรานะไม่เดจาจ้างเขามาแล้วอย่าไปว่าก็เลยคนมันก็ดีแค่นี้ดีอีกไม่ได้เปอร์เซนต์มันแค่นั้นจะทําอย่างไรตะกัวเนี่ยให้เป็นทองทองคําไม่ได้ทองคําอย่างไรก็ต้องไปทําให้เป็นตะกัวไม่ได้ มันจะใส่โต้อดหรือมันจะขุดหลุมฝังมันก็ยังกำลังคังอยู่นั่นองค์นี้ขอฝากไว้โยมตั้งใจตัดปรีพธใชนะอย่ามาพูดอะไรกันในวัดตัดปรีพธกังวลกะตัดทิธิมานะซะโยมเป็นปยาโทเอกเอาตำราทิ้งวัติบาเอาวิชาทิ้งว้บ้านหมดเอาความที่ตรงใสเข้ามาแล้วก็มารับตำราเก่าคือตำาใหม่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 เอาพองหนอยุบหนอทิ่งล้างวัดหมดแล้วไปไปหายใจเอาบ้าบอเข้ามาแทนเงี้นเหรอหายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจออกก็ไม่รู้เลยก็ไปบ่นผัวผัวตะโถโทรศัพ์มาที่วัดหลวงพ่อสอนยังไงนะพวกมาสมณก่อนดีเนี่ยกลับมาจากวัดพรวันเนี่ยเป็นหมีกึ่งเพิ่มเลยบ่นโตเจ็บเจ็ดนี่เลี่ยงจริงที่วัดนี้ขอฝากไปทุกคนครั้งเหตุดา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 คลายเหมันคนเลือกจะมาไปเลือดจะมาเลือดับหายอย่างนี้กลายเป็นคนอย่างนั้นไปเลยเขาก็ว่าจะมาบอกพ่อต่อไปผมไม่ภรรยาไปนะถ้าไปอีกครั้งหนึ่งเห็นจะด่าผมวันยังค่ําเลยมั้งนีตรงนี้นะขอฝากเลยนะไม่เด็กําหนดเลยนะไม่มีตั้งสติเลยนะไร้สติขาดสตางไร้สตางไม่มีสมาธิอย่าเลื่อนอย่าลืาล่ขอฝากไว้ นี่เขาตอบว่าจะมาไม่เรือกจนไม่มีคําตอบแหละอย่ใครมานั่งแล้วนั่งไม่จะเอาคําสอนนี่เลยนะเบี้ยวบูดทําเรื่อเบี้ยวบูดทำขูดขูดเขี้ยวเขี้ยวทําเรียอเรื่อรถรถคดคดชุกเขี้ยวใช่ได้หรือเปล่าการได้ขอป้าญาโยมไปนะหนมสาวนมสาวมานั่งกรรมฐานเบี้ยวถามบอกหนูมานั่งทำมาหม่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 โกรกภาษากันเออยอะแยะอันดับสามมาเนี่ยลูกมาเรียนหนังสือลูกมาเรียนหนังสือระวังเนะียพ่อแม่จะเสียใจ น, นะลูกไม่เอาเนี่ยนะนี่พ่อแม่เนี่ยเป็นเศรษฐีมีงเงินไปพันละ้ะไม่ลูกขาวันเดียวปรญญาเทตุลาบนมันตายบัตรนี้มันจะอยู่ก็พผู้ชาช่ไมือเลยนี่มนาะครูหรือเปล่ า, ไ ม, งงาลไม่ต้องเติมงานนั่มัต้องเสียค่าถึงสอนเอาอยัางไนะเอองไเนี่ยเอายังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยผิดหวังนะระวังลูกแมวเอาไหน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 นับวิชามีเมายาชาติดีมีถึงธรรมให้คะแนนศึกดูสวยไหมสวยนอกสวยนายให้ศึกคะแนนเรือชัาไหมเรวยนอกวรือนายเรือชา้าอันตวเวะเสให้ศึกคะแนนดูสวยยูรับนับวิชาไ ม, ม, ม่อชาไม่มีฮะจึงโฉมโฉมโฉมนะอะไรกั น, นวันได้เดินถึงแต่หาพระมรูเดียเเด๋ยวนี้พระมรูเยอะในประเทศเยอะไปจะดูสิวันได้เดินถึงแต่งงานเลยบัดนี้ทิ้งกันแล้ว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 กระบงข้างๆแลาสองก้อนเอาไปใส่วัดย้ายบอกว่าไอ้หนูเราเหยียบดินวัดติดเรียกมาบาปนะลูกนะก็อเอาดินไปเข้าวัดเดี๋ยวนี้เอาดินวัดขายเลยเอาดินวัดขายเลยนะนี่คนสมัยนี้มาึงไม่จเจริญไม่มีความเดินก้าวหน้าแต่ประการใดดูบ้านทานจะดูได้นะลูกนะขร้จกเอาไหว้จุกเด็กผู้หญิงเอาต้องไปไหว้มันนะ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 ที่ตายไปแล้วที่เารยันานาที่รายการมุกเป็นโขนเ็าตายไปแล้วอยู่กลูกครับหนูมันนี่ชื่อทำไมต้องไปช่วยลดน้ำาถูเหรอทำไมต้องมาช่วยเราถูเหลือเล่าเป็นเลาเจ้าไปลูกตาเราใครไม่ต้องมาช่วยหรอกเพราะว่าเราต้องเสียค่าเทอมไม่ต้องไปหาวิชาของตนเองเพอะนะอย่ามาช่วยเราเลยบอกไม่เป็นไรครับคุณลุงครับ ยาฉ้อนผมอยู่บ้านทานอย่าดูดายป้นยัวป้นควายแ ก, กก็หัวลอกก้าเอเด็กคนนี้แปลกมากเด็กคนนี้แปลกมากพอาะแปลกครับแล้วก็เดี๋ยวหัวข้ามมาปีชื่อมานะต่อเพลงให้อาตมายังจำได้แม่งเรียกว่าเพลงแคร์โรบโบรีกับแขกโอทต่อเพลงให้คลีไม่ต้องเสียสักหน่เนี้ยให้ไหม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 ไม่ประมาทฉลาดในการทํางานมีวิชาใจตัวแสวงหาเขาจะไม่ไปโง่ต่อไปอีกแล้วนี่คือกรรมฐานไม่จะคุณโง่เราะคุณภาพชีวิตมีคุณธรรมสังคมต้องการคนมีคุณธรรมบุคคลผู้มีคุณธรรมมีคุณภาพชีวิตทกชีวิตที่เติบใหญ่มาได้ก้าวหน้าในชีวิตอย่างเป็นระเบียบไม่เฉมถอยเพราะชีวิตมีวิญัย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 พูดล้ายเข้าใจยากถ้าพูดดีมีปัญญาสมานไมตรีเป็นมิกันเรียกว่ามนุษย์อย่าสัมพันธ์ผู้นั้นจะมีแต่มิตรภาพมีแต่ความรักเมตตาต่อกันจะไม่มีหายนณะจะไม่มีจัตรลูอีกต่อไปแล้วมีแต่เมตตาแผ่เมตตาให้จัตรูเป็นมิกับเรา